ขออนุ ญ, ญาตนะคะถึงแม้จะมาคุยเรื่องทัวร์แต่ขออนุญาตถาม น, น ะ, ะเพราะว่ า, าเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ก่อนเนี่ยมีหลายมีหลายครั้งที่มีคนชวนให้ม า, าฟังเรื่องในแง่ของธรรมะแล้วตัวเองคิดว่ามันเสียเวลา <c oughs> อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะคะตัวเองคิดว่ามันเป็นการเสียเวลามากเลยที่ว่าจะต้องมานั่งฟังหลายๆอย่างแต่มาครั้งนี้เนี่ยฟังเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เสียเวลาแล้วก็เสียดายในสิ่งที่ค้างๆหลยเพื่อนหลายๆคนเขาชวนบอกว่าทําไมไม่ไปฟังอับเขา นะคะแล้วก็ในเคสศึกษาของแต่ละท่านเนี่ยก็ได้เป็นแนวทางแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นนิสัยส่วนตัวนะคะแต่ก่อนเป็นคนใจร้อนแล้วก็ทุกอย่างมันต้องได้ดั่งใจทั้งหมดนะคะแล้วก็พอมาพักหลังๆเนี่ยหลังจากที่ได้ไปปฏิบัติ บ, าบ้างบางครั้งเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยทำให้ว่าพระท่านก็เตือนแบบว่าให้ใจเย็นลงเรื่องบางอย่างก็ช่างมันแล้วทีนี้นก็เลยเอาคำนี้ค่ะพอบางครั้งมันไม่ได้ดั่งใจ ก็เริ่มคิดแล้วก็เริ่มอารมณ์ก็จะขึ้นแล้วต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วพอฉุกคิดขึ้นมาได้นิดนึงก็ใช้คําว่าช่างมันนะคะอันนี้คือคําปกติถ้าพอโ ม, โมโหมากๆก็ช่างแม่งเลยนะะแล้วก็วางทิ้งไปเลยแล้วมันก็จะหายไปประมาณสักมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกผ่านไปสักสองสามวันถ้ากลับเข้ามาอีกมันก็ขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะใช้คํำนี้ค่ะว่าช่างมันผิดหวังกับงานบ้างนะคะแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจกับคนนู้นคนนี้บ้างจะใช้คํานี้มาตลอดไม่ทราบว่าถ้าเกิดคิดในแนวนี้เนี่ยจะผิดหรือจะถูกอนะคะ ลองดูเข้าไปในภาวะให้มันละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะมันจะเป็นประโยชน์มากเลยมันจะกลายเป็นเครื่องมือในการเจริญสติได้คือของเราจะมีอยู่สองอารมณ์คือตอนนี้อารมณ์แบบอยากจะอยู่สงบสงบเย็นเย็นอยากจะพัฒนาจิตพัฒนาใจก็อีกอารมณ์เนี่ยยังมีอารมณ์อยากอารวาดอยู่นะคือมันยังมีความคุกกลุน ซึ่งโอ้หนึ่งแสนเกือบหายไปกันะคือมันยังมีอารมณ์คู้คุนประมาณว่าอยากจะอยากจะปั้นห่วงปั้นงามีมีบางครั้งล่าสุดซึ่ง <นะ S 1> ซึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถเห็นได้บางทีมันไม่ได้มากับอารมณ์แบบเป็นพายุบุแคมนะมันแค่ เป็นความเคยชินแบบเก่าๆที่มันมีอาการฟึดฟัดฟึดฟัดอยู่ข้างในเห็นใช่ไหมคือคือมันจะมีอาการขยับอยู่ข้างในแต่ข้างนอกไม่ขยับตามแตกต่างอย่างเมื่อก่อนคือถ้ามีอารมณ์ฟึดฟัดฟึดฟัดอย่างแบบนั้นเนี่ยมันจะออกอาการภายนอกด้วยเข้าใจความสัมพันธ์ไหมมันแตกต่างไปแต่เดิมเนี่ยมันฟึดฟัดอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยข้างนอกเอาทันทีเอาด้วยทันที แต่ตอนนี้พอมันฟืดฟาดอยู่ข้างในมันคล้ายๆว่ามีอาการข้างนอกเนี่ยที่ไม่ปรากฏชัดตามสภาพภายในเพราะเราเห็นว่าเออเนี่ยอาการฟืดฟาดฟืดฟาฟดฟาแบบนี้มันมเีเขาเรียกว่าเป็นเชื้อเป็นนิสัยเดิมเป็นของเก่านะ เราเห็นว่าใจของเราบางทีอยากเอาตามหรือบางทีก็ไม่อยากเอาตามเนี่ยตัวนี้คือเห็นว่าเส้นทางกรรมของเราแตกต่างไปแล้วจากเดิมที่มันอยู่เขตร้อนตอนนี้เริ่มเข้าเขตเย็นพอเห็นสภาวะทางใจที่มันปรากฏอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมันจะ พัฒนาขึ้นไปเป็นคือคือเย็นจริงนะเย็นจริงหมายความว่าอ า, อาการฟึดฟัดฟืดฟันเนี่ยมันแทบจะไม่ปรากฏให้เห็นเลยหรือบางทีมันเงียบไปเลยเงียบไปเนี่ยเป็นความรู้สึกว่างๆเนี่ยแต่ความรู้ในความรู้สึกว่างๆเห็นไหมจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันยังมีอะไรคู่กุ่นอยู่เล็กๆรู้สึกใช่ไหมเนี่ยแม้กระทั่งตอนเนี้ยคือพอเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องไอ้ฟืดฟัดเนี่ย มันนึกออกว่าดั่งเดิมมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอย่างนีตอนนี้พอพอเห็นเข้าไปที่อาการที่คุกุมันมันน้อยลงมันเบาบางลงรู้สึกไหมตัวที่มันเย็นจริงคือตัวนี้ตอนที่มันเห็นเห็นเข้าไปที่ภาวะภายในว่ามันต่างไปยังไงมันไม่ใช่บอกตัวเองว่าจะต้องทำยังไงมันแตกต่างกันนิดนึง คือมันมีสติเหมือนกันแต่เดิมก็มีสตินะที่บอกตัวเองว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้มาอยู่กับความเย็นดีกว่ามันก็มีสติแบบหนึง่งแต่ตอนนี้ที่เห็นเข้าไปจริงๆว่าบางทีเนี่ยมันมันยังมีอารมณ์ฟืดฟัดอยู่แล้วหน้าตาอารมณ์ฟึดฟัดนั้นเป็นยังไงเราสามารถเห็นได้เนี่ยที่มันจะทำให้เกิดความส ง, งบจริงๆคือส ง, งบไม่ใช่ว่าเราไปกดให้มันส ง, งบ แต่สงบเพราะว่าเห็นอาการฟืดฟัดเนี่ยเป็นแค่ภาวะอะไรที่มันแปลกปลอมขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จางตัวลงไปไกลายเป็นความรู้สึกว่างของเราจะเป็นประเภทแต่ก่อนมีเป็นประเภทโถสาจริตก็จริงแต่ว่าสติก็จะใช้ได้คือหมายถึงสติที่ใช้ทํางานทําการใช้เอาอะไรที่ตัวเองอยากได้มามันจะมีสติแบบนั้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น นี้พอมาเนี่ยถ้ามาปรับประยุกต์ใช้เจริญสติเข้านิดหนึ่งนะเห็นเข้ามาในสภาวะกายใจตัวนี้ก็จะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าไ อ, อ้ภาวะทั้งหลายที่มันเคยปรากฏอยู่เป็นประจำเนี่ยมันแสดงให้เราดูได้อย่างชัดเจนเพรามีกำลังสติอยู่แค่เพิ่มในตัวภาวะเข้าไปเท่านั้นเอง ต, ตัวตัวสติรู้ภาวะน ะ, นะครับมีแต่ก่อนนี่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโทษคนข้างนอกก่อนอย่างสมมุติว่าเราเดินอยู่ยิบถนอนอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีคนเดินมาชนถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราจะบอกเขาว่า<ช>มันเดินยังไง<ช><ช>มาชนเรา<ช><ช>แล้วก็ พ, พั้างหลังเราจะบอกว่าเออเพื่พอนเราะเรายืนไม่ดีเองเอขาถึงเดินมาชนแล้วก็เกิดอีกหลายๆกรณีจูบางครั้งเนี่ยเพื่อนนะคะจะบอกว่าเปลี่ยนไปนะคะใช่ใช่ แต่ก่อนเพ่งโทษคนอื่นตอนนี้มันมันเหมือนกับให้อภัยได้มากขึ้นไม่ถือส า, าได้มากขึ้นคิดในแนวนี้ก็โอเคใช่ไหมคะคือคือที่คิดมาเนี่ยมันถูกอยู่แล้วมันดีแน่ๆอยู่แล้ว แ, แเพราะจิตมันจิตมันสบายขึ้นจิตมันเย็นลงนะบางครั้งเนี่ยเขามีมีเพื่อนก็ทักใหม่อีกเหมือนกันบอกว่าจะทําให้กลายเป็นคนเลื่อยเฉืยหรือเปล่าเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นคนเลื่อยเฉย ก็คือดูเข้ามาที่ภาวะภายในประกอบไปด้วยอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอมีอาการพุกคิกพุกคขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราสามารถเห็นว่าเออมันยังคู่กลุ่นได้อยู่แล้วมันก็คลายตัวออกเนี่ยแค่นี้ก็คือเรียกว่าเจริญสติแล้วก็ตรงนี้มันจะทำให้ตัวสติเนี่ยจะทำให้ไม่เฉื่อยชาในตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าสติเป็นของที่มีกําลังเป็นของที่มีความสว่าง นะอย่างที่รู้สึกเนี่ยว่ า, อาพอใจเราว่างไปมันมาพร้อมกับความสว่างเป็นความว่างที่มาพร้อมกับความสว่างตัวนี้คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะของจริงนะไม่ใช่สิ่งที่เป็นคำพูดเตือนตัวเองหรือว่าจะต้องมาสะกิดตัวเองอยู่เรื่อยๆไอ้ความเฉยเนี่ยมันมีแค่ผู้ไม่เจริญสติเท่านั้นแหละผู้ที่เจริญสติและเห็นภาวะตรงตามธรรมชาติที่มันกาลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันไม่มีทางเฉยนะ ขอบคุณค่ะค่ะจะเรียนถามนิดนึงค่ะระหว่างจิตสติกับใจเราควรจะฟังอะไรดีอะค่ะเมื่อจิตกับใจเนี่ยนะมันแล้วแต่นิยามจริงๆนิยามของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะจิตกับใจมันเป็นภาวะรับรู้มันเป็นภาวะที่ เป็นภาวะทางธรรมชาติที่มีความสามารถรู้ได้ภาวะอื่นเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเป็นผู้แสดงหมดแต่ภาวะของจิตเนี่ยเท่านั้นนะที่สามารถจะรู้ได้แล้วก็ตัวสติเนี่ยโดยนิยามก็คือเป็นเครื่องประกอบจิตให้สามารถระลึกได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันหรือ ระลึกได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันถูกที่มันคว ร, นะรนั้นถ้าเอาตามเนื้อหาของคำก็คือว่าเราควรเชื่อสติแต่ถามว่าจิตใจในความหมายของคุ ณ, คณน่าจะเป็นอารมณ์มากกว่านะคงคงเป็นความรู้สึกพูดง่า ย, ายๆว่าไอ้สภาพที่มันบอกตัวเองว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ บางทีมันแยกการคำวมสติได้ยากนะเพราะบางทีมีอารมณ์ก็จริงอารมณ์อยากแต่มันก็มีสติอยู่ด้วยว่าที่อยากนั้นมันถูกต้องแล้วมันชอบทําแล้วสิ่งที่จะ เ, เป็นตัวแบ่งอย่างชาัดเจนว่าเรากําลังใช้สติอย่างถูกต้องเนี่ยก็คือเรื่องของศีลพระพุทธเจ้าให้ใช้เกณฑ์ น, นี้เป็นหลักสําคัญ ว่าตราบเท่าที่เรารู้สึกว่าศีลของเรายังถูกต้องนะเราสามารถห้ามใจจากการผิดศีลได้สติที่เกิดขึ้นในบัดนั้นเป็นสติที่ถูกต้องแน่นอนนี่ตามหลักของพุทธนะเพราะว่าการที่เราสามารถห้ามใจจากสิ่งที่ผิดจากการไปผิดศีลไปผิดศีลได้เนี่ยก็คือการไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนั่นเองตามศาสนาพุทธเราเนี่ย การไปเบียดเบียนคนอื่นให้ทุกร้อนด้วยเจตนานะจงใจให้เขาเกิดความทุกร้อนเนี่ยตัวนี้แหละที่ผิดจริงอย่างอื่นบางทีมันขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนว่ามันต่างกันยังไงอย่างบางคนบอกว่าไปเป็นพ่อค้าเนี่ยถูกต้องแล้วไม่ผิดแต่บางคนบอกผิดมันเป็นการไปเอาเปรียบคนอื่นชัดๆอย่างเงี้ย คือพอความเห็นแตกต่างกันปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ได้มาอยู่ที่เรื่องสติหรือไม่สติแล้วมันูมันต้องเอาเกณฑ์อะไรที่เป็นกฎธรรมชาติเข้ามาเป็นเครื่องชี้สักงนิดนึงอย่างพระพุทธเจ้าก็บอกใช้ศีล น, นี่แหละาหากว่าใช้ศีลมันมีเครื่องประกันว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยความจงใจแน่ๆอาจจะเบียดเบียนอ้อๆโดยที่ไม่เจตนาอันนั้นช่วยไม่ได้อันนั้นไม่ใช่กรรม พระพุทธเจ้าตัดว่าเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาตัวนี้แหละที่นะสรุปก็คือว่าตัวสติถามว่าสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศีลที่มันจะ เ, เป็นสิ่งที่เราเชื่อได้นะฮะเดี๋ยวน้องถามตรงนี้เลยก็ได้เออแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องงานทีหลังก็ได้หมดแล้วหมดแล้ว เ, เนี่ยให้น้อง ก็คำถามไม่มีอะไรครับก็แค่จะถามว่าอยากได้คำชี้ชี้แนะกลับออกไปเหมือนอย่างที่ทุกทุกคนได้เท่านั้นเองครับพอตอนคนหลังๆเนี่ยมันจะคอยมีมุมมองอยู่ว่า ดีอยู่แล้ว <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันก็แค่ว่าทำยังไงจะมีสติเจริญขึ้นนะ ท, ทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเราไปคือในนิยามของเราคือไปทำบุญะไปทำบุญอยู่ค่อนข้างจะเยอะใช่ไหม ไปโน่นไปนี่ใจก็มองว่าไอ้นั้นมันเป็นบ่อกเกิดของความสว่างบ่อกเกิดของกุศลนะคือใจใจมันจะโฟกัสไปที่ตรงนั้นแต่ว่าก็เข้ามาที่อย่างนั่งสมาธิหรือว่าเดินงโงกลมอยู่บ้างวะครับผมก็ทำอยู่ครับ อย่างตอนนั่งสมาธินี่คือเราเราดูยังไงช่วงที่เรียนอยู่มหาชุลานะครับผมจบปโทจากมหาชุลาก็หนึ่งเดือนจะต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดอะไรเงี้ยครับก็จะมีการเจริญสติด้วยยุบหนอพ้องหน่อะไรเงี้ยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ใจมันปัจจุบันผมจะใช้ยึดลมหายใจอย่างที่พี่ตุลพูดเมื่อสักครู่นะครับก็คือตั้งสติแล้วก็ดูว่าลมหายใจ ออกเป็นยังไงแล้วก็เวลากโกรธเรารู้สึกยังไงคือบังเอิญว่าผมผมผมอ่านหนังสือพี่ตุนก็น่าจะมา ก, ก น, นะครับตั้งแต่เตรียมสเบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มที่1จนกระทั่ง 12-13 องสิบอะไรงี้ครับก็เอาห ล, ะละยายๆอย่างมารวมกันก็เลยปัจจุบันก็เลยยึดอนาปนาสติดีกว่าครับเอางี้คือที่พี่เห็นนะเอาเอาที่พี่เห็นอย่างนี้ก่อนก็แล้วกัน ค, คือใจเราเนี่ยเวลาไป ในที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปทำบุญหรืออะไรเนี่ยใจจะเปิดจะเบิกบานมันจะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันเป็นกุศลที่มันสว่างแต่อย่างเวลานั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะมันมันมันได้อารมณ์แบบเดิมๆอะ่ะคือ เมื่อกี้ไม่ได้มาตอนต้นใช่ไหมช่วงต้นเนี่ยที่พี่พูดถึงการเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจอเงี้ยไอ้นี่มันมันเหมือนกับเราเรายังเห็นว่าลมหายใจเนี่ย เ, เป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์สมาธิเป็นสิ่งตรึงจิตคือจะมีสมาธิแต่มันไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงเข้าใจพอไหมครับ คือมันมีสมาธิแต่ว่าเป็นสมาธิที่ไม่ได้เห็นความไม่เที่ยง point ของการเจริญสติแบบพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยคือมันต้องเริ่มสังเกตว่าเออเนี่ยที่มันเข้าที่มันออกที่มันยาวที่มันสั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันคือพูดเนี่ยมันแค่ไม่กี่คํำสั้นๆแต่ตอนที่มันเป็นประสบการณ์ทางจิตจริงๆบางทีมันต้องใช้เวลานานบางคนต้องใช้เวลาฝึกเป็นเดือนๆ กว่าจะเริ่มเห็นขึ้นมาหรือถ้าเห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ไปต่ออย่างของน้องเนี่ยมันเหมือนเคยเคยมีอารมณ์ที่แบบจิตมันสว่างขึ้นมาบ่อยนะบ่อยเหมือนกันแต่ที่รู้สึกเนี่ยคือมันไม่ใช่สว่างในแบบรู้เห็นไ อ, อ้ความไม่เที่ยงหรือว่ารู้เห็นไ อ, อ้ความเป็นอนัตตาภายในขอบเขตของกายใจ มันจะสว่างพูดง่ายๆว่าสว่างแบบเทพสายเทพมันไม่ใช่สว่างแบบที่จะโปร่งใสแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงในตัวกายใจแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาในกายใจยังเคยสังเกตไหมว่าเราทําบุญก็ดีหรือว่านั่งสมาธิก็ดีเนี่ยมันมีความชุ่มชื่นมันมีความเบิกบานมันมีความสว่างขึ้นมาแล้วมันจบอยู่แค่นั้น พออารมณ์สว่างตอนนั้นมันเริ่มจะเกิดหายไปเนี่ยมันก็กลับมาเป็นคนธรรมดาคือไม่ได้สังเกตต่อว่ากายใจจะเป็นยังไงเนื้องออกไหมครับออครับประเด็นของพี่อยู่แค่ตรงนั้นแนหะว่าถ้าทําสมาธิได้ดีอยู่แล้วแล้วก็จเจริญต่อขึ้นเป็นการเห็นนะพัฒนาต่อว่าหายใจเข้าหายใจออก อารมณ์ทางใจเป็นยังไงสว่างมากหรือสว่างน้อยนะหรืออย่างอย่างนั่งคุยกันเนี่ยสว่างมันก็มีหลายระดับของน้องเนี่ยบางทีมันก็สว่างเบิกบานเราจะรู้สึกเลยมันเหมือนมีความแช่มชื่นเหมือนตอนอยู่ในงานบุญแต่บางทีมันก็หรีลงมาเนี่ยถามว่าเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องสังเกตว่ามันสว่างเบิกบานขึ้นมาแล้วระดีลงไป ตรงนี้ที่พี่พูดถึงตั้งแต่ต้นก็คือว่าเราเอาลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตแต่ไม่ใช่ดูลมหายใจไม่ใช่จ้องดูลมหายใจอย่างเดียวคืออาศัยลมหายใจนี้เป็นตัวเป็นตัวเหมือนกับกสํารวจเข้ามารับรู้ว่าตอนนี้กําลังสว่างมากสว่างแบบเบิกบานและลมหายใจต่อมาก็ดูต่อว่า เออไอความสว่างนั้นเนี่ยมันลดระดับลงมาหรือว่ามันขยายออกไปหรือว่ามันเท่าเดิมเนี่ยแค่ดูอย่างนี้เป็นไอที่ไอที่ดีอยู่แล้วมันจะดีขึ้นไปอีกนะมันมันเหมือนกับตอนเนี้ยก็ดีอีกอย่างหนึ่งของเราคือมันเหมือนเป็นคนที่ รู้ข้อเสียของตัวเองแล้วก็กําจัดค่อยๆกําจัดไปทีละอย่างสองอย่างคือปกติเนี่ยคนจะไม่ค่อยกล้าสํารวจเข้ามาว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรบ้างแต่บางทีเราถามตัวเองเหมือนถามตัวเองใช่ไหมครับเออมันยังเสียอะไรอยู่แล้วเราก็ค่อยๆกําจัดทิ้งซึ่งต่อให้เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมานานเนี่ยบางทีมันยากนะมันมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นกันทุกคนคือทุกคนนะ่ยรู้หมด ว่าควรจะสำรวจข้อเสียแล้วก็กําจัดไปทีละข้อแต่ที่จะทำจริงๆน้อยดีก็ถือว่ามาก็เกือบครบสูดรอะคือนะละบาปแล้วก็ทำบุญท ำ, ทำใจให้ผ่องใสคือเจริญสติให้จิตมันมีความปลอดโปร่งจากอุปาทานอานนี้คือมันต้องมันต้องหสังเกตนิดนึง นะเรื่องของความไม่เตี้ยงที่มันเกิดขึ้นภายในกายใจเนี่ยบางทีพอได้ความสว่างอ่ะลองลองลองสำรวจดูก็ได้พอได้ความสว่างแล้วมันพอใจใช่ไหมแล้วมันก็หยุดนึกออกไหมตรงนั้นเนี่ยพอมีความพอใจแล้วหยุดเนี่ยก็คือยึดแล้วยึดว่าความสว่างเนี่ยเป็นของดีไอ้นี่มันมันไปได้แค่สวรรค์ พระพยของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่จะทำบุญเพื่อที่จะไปสวรรค์อย่างเดียวแต่ว่าทำบุญเพื่อที่จะให้จิตมีกำลังสามารถจะเห็นว่าอะไรๆมันเป็นของปรุงแต่งชั่วคราวไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาที่ผ่านมามันเหมือนกับพิจารณาเฉยๆพิจารณาด้วยความคิดประกอบมันไม่ได้เห็นภาวะตรงๆ อย่างเนี่ยที่พี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยพอสว่างเบิกบานขึ้นมาแล้วเราก็พอใจแล้วก็เสร็จแล้วก็หยุดไม่ได้ดูต่อแต่มันเกิดจะเป็นการเจริญสติอยู่แล้วละ่ะอีกนิดเดียวคือมันต้องสร้างความเคยชินในการตั้งมุมมองอีกแบบหนึ่งขึ้นมาขอบคุณครับ